แม่ชีเคยได้ย <Fra il> <ing> ินได้ยินไหมคําที่บอกว่ากายเคลื่อนไหวใจรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้เราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จักกายแล้วกายก็คือเนี่ยนี่นะมือนี่ยนะกายนี่เคลื่อนไหวแล้วก็บอกว่ากายเคลื่อนไหวใจรู้กายเคลื่อนไหวใจรู้แล้วเราพูดเราพูดไปอ่ะแต่เรารู้ไหมว่าใจคืออะไรอ่ะ ใจคืออะไรไม่รู้ใช่ไหมแต่ใจเขารู้เนาะเอาเป็นว่าใจเขารู้แต่ใจคืออะไรไม่รู้ใจเป็นของไม่มีใจเป็นสิ่งไม่มีแต่มันแปลกตรงที่ว่ามันรู้อะไรได้มันรู้กายเคลื่อนไหวได้แต่ใจเป็นสิ่งที่ไม่มีถ้ามีทุกคนหาใจใจอยู่ไหน นี่หาไม่เจอหาใจไม่เจอใจไม่ใช่หัวใจหัวใจเป็นกายเป็นกายเนื้อเนาะแต่ใจอ่ะมันรู้กายได้รู้กายเคลื่อนไหวได้แต่ตัวใจอ่ะไม่มีเมื่อตัวใจไม่มีจะไปหาใจไม่เจอแต่ใจนั้นน่ะถึงมันไม่มีแต่มันรู้อะไรได้เวลาทุกเวลาสุข เราพูดเป็นภาษาว่ามันเกิดที่ไหนเนาะเกิดที่ใจสุขก็เกิดที่ใจทุกข์ก็เกิดที่ใจนิพพานก็มีอยู่ที่ใจแต่ใจมันไม่มีไงแล้วมันยังไงอะเราบอกก็ได้ว่าใจเนี่ยนะมันเป็นมีแต่ชื่อมีแต่ชื่อความเป็นจริงอะมันไม่มีอะไรแต่เขาตั้งชื่อสิ่งนั้นว่าใจงงไหม ใจเป็นความไม่มีเป็นไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่เขาตั้งชื่อให้ว่าสิ่งนั้นน่ะเรียกว่าใจออพอมองออกเลยเนาะทีนี้เราจะโยงเป็นนิดแล้วกันว่าให้รู้จักสิ่งที่มีก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่ไม่มีเนี่ยมันเป็นยังไงสิ่งที่มีอยู่ก็คือเนี่ยร่างกายมีใช่ัหมร่างกายอ่าร่างกายมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดมีไหมีม ออร่างกายมีความรู้สึกนึกคิดเขาก็ตั้งชื่อสมมติบัญญัติเรียกว่าจิตใจหรือบางทีเรียกว่าจิตเรียกว่าอารมณ์ก็แล้วแต่หลายภาษาแต่เอาเป็นว่าร่างกายมีจริงเนี่ยมองด้วยตาก็ยังเห็นเลยจับต้องก็รู้ว่ามีจริงอารมณ์ก็ทุกคนก็สัมผัสได้บางครั้งมีโกรธบ้างรักบ้างเฉยเยบ้างก็มีจริงเนาะเป็นอาการสิ่งใดที่มีสิ่งนั้นเนี่ยต้องดับไปหมดไปก็กลับคืนสู่ความไม่มี เราเคยเลียวใจไหมว่าสิ่งที่มีเนี่ยมันมาจากไหนอะจริงๆอะมันมาจากความไม่มีเนาะมองเห็นได้เนาะสิ่งที่เนี่ยี่ที่นั่งอยู่เนี่ยมันมาจากความไม่มีนะเออแสดงว่าความไม่มีมันก็มีเฮ้ยขัดหูและ <c ười> ไหนบอกว่าไม่มีแล้วตอนนี้กลับเป็นมีไปได้วงไว้ใจนะมันมันเป็นมันไม่เป็นสภาพคือเป็นมันไม่มีแต่ แล้วอารมณ์ที่เกิดนะสุขทุกข์มันมาจากไหนมาจากใจใช่ไหมสแสดงว่าใจมันมีดิมันมีแต่ชื่อมันมีแต่ชื่อแต่สภาพของมันจะเรียกว่าความว่างเหรอมันก็ไม่ใช่ความว่างกับความว่างก็แปลว่าเป็นสิ่งที่มีใช่ไหมมีคือมันว่างแต่ความไม่มีเนี่ยมันเหนือความว่างเข้าไปอีก มันไม่ใช่ความว่างไงเอาเวลาว่างนะรู้ได้ไหมรู้ได้เนาะเออเวลาว่างรู้ได้แต่ใจอะ่ะมันรู้ไหมใจเนี่ยอะไรจะไปรู้มันได้เพราะมันไม่มีแต่ความว่างมันมีแสดงว่าความว่างก็ไม่ใช่ใจเพราะฉะนั้นไอ้ที่อารมณ์ต่างๆเนี่ยที่บอกว่ามันเกิดจากใจอะ่ะมันเกิดจากสิ่งไม่มีซึ่งไม่ใช่ความว่างที่เรารู้จักอีก เราว่าทมามันยากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี้ยเนี่ยพอแค่นี้ไหมเนี่ย <im itation> เสรมิมปนะัญญาเนาะมันจะได้เข้าใจเข้าใจอีกแล้วใจคืออะไรใจคือสิ่งไม่มีเอาตั้งต้นใหม่เพราะบางทีมันอาจจะงงๆแล้วหรือใครง่วงให้พูดบ้งางออกโยมง่วงไหมง่ว <im itation> งพูดหน่อยเก่ <laughs> งว่าตั้งหลักใหม่นะลืมไม่หมดเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเพราะว่ามันอาจัะกําลังสับสน <laughs> เอาพูดถึงซีิตาพูดถึงสิ่งที่มีก่อนร่างกายตอนนี้มีแต่ก่อนร่างกายมีมันก็ไม่มีร่างกายเนาะถอยหลังนี่เขาเรียกว่าถอยหลังเข้ไปมันไม่มีจริงๆไม่มีร่างกายมันมีตั้งแต่ตอนนู่นแหละนี้เราก็พูดให้คนเก่าฟังแล้วมีตั้งแต่พ่อแม่ผสมพันธ์กันใช่ไหมสเปิร์มกับไข่ผสมกันเนี่ยมีน้ำมีดินผสมกันสองหยด แล้วก็ต่อมามันปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งโดยอาศัยเนี่ยแม่เนี่ยกินสักพืชซัสกสัตว์กินนู่นกินนี่หายใจใช่ไหมเอาถ่านลมดินน้ําไฟลมเข้าไปผสมจนกลายเป็นอะสเปิร์มกับไข่ที่ผสมกันแล้วเนี่ยมีการปรุงแต่งก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็คือโตขึ้นเรื่อยๆถูกไหมไอันนี้เป็นจินตนาการนะเพราะว่าปัญญาบางทีเกิดจากการฟังเหมือนกันฟังจินตนาการมันก็จะนึกถึงตามความเป็นจริงได้ว่าอ้า จากสิ่งนี้ไม่มีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรต่อมาเริ่มมีตอนที่ผสมพันธุน์อ่าแล้วก็พ่อแม่ก็กินซักเพืชซากสัตว์แล้วก็สูตรอากาศตากลมตากแดดอะไรก็แล้วแต่ทําให้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุปัจจัยให้ไอสิ่งนี้โตขึ้นพองขึ้นพองขึ้นเรื่อยๆเื่อๆืๆถูกไหมพอพองขึ้นเรื่อยๆืๆอาจจะตรงนี้ก็โผล่ตรงนี้ก็โผล่ตรงนี้ก็โผล่ก็เรียกมีหูมีตาแต่ระหว่างนั้นน่ยมันมีปฏิสนธิวิญญาณไม่รู้มันมาตอนไหน วิญญาณวิญญาณคือสิ่งที่ทําให้รับรู้อะไรได้เริ่มมีแล้วทีนี้มีเหตุปัจจัยนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทเลยนะตอนเนี้นะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้มี ม, มีมีไปเรื่อยเอาแม่ก็ยังกินข้าวกินน้ํากินซาเพืชอากสัตว์ทุกวันอนุกตก็โตไปเรื่อยเรือยื่อาวิญญาณก็มาผสมแล้วจึงเกิดเป็นแล้วก็มีหูมีตามีอะไรก็รับสัมผัสเอาเกิดกลายเป็นนู่นเป็นนี่เกิดความรับรู้ได้เกิดความรู้สึกนึกคิดได้ถูกไหม อันเนี้ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีแต่เดิมไม่มีเป็นสิ่งที่มีแล้วต่อมาสิ่งที่มีเนี่ยต้องแตกสลายคือดับไปหมดสิน้นถูกหมกลับคืนสู่ไม่มีเพราะฉะนั้นความไม่มีมันมีไหมล่ะมีความไม่มีมันมียกระจายนะเออจริงจริงอ่ะใจก็เหมือนกันใจก็คือมันไม่มีหรอกมันไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าจะพูดก็คือมันมีแต่ภาษา ที่ก็ตั้งชื่อเป็นสมมติว่าเรียกว่าใจแต่คุณนิสสมบัติของใจเนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันรู้อะไรได้ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นความไม่มีแต่มันรู้อะไรได้มันรู้อะไรรู้กายเคลื่อนไหว <c oughs> เนี่ยกายเคลื่อนไหวใจรู้แต่ใจมันไม่มีมันรู้ได้ไงก็ถูกแล้วมันรู้ได้ไงเพราะมันเป็นธรรมชาติเ <c oughs> ขาเรียกว่าเป็นเป็นธาตรู้เป็นธาตุเป็นธาตรู้ธาตุเนี่ยเป็นความว่างไม่ใช่ ที่เราสวดบนน่ะสักแต่ว่าธาตุอ่นะนะธ า, าตุธาตุเนี่ยไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่บุคคลเป็นสุนโยเป็นความว่างเปล่าใช่ไหมธาตุเนี่ยเพราะนั้นธาตุรู้เนี่ยก็เป็นมันไม่มีมันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเป็นว่างเปล่าเป็นสุนโยแต่คุ ณ, ณสมบัติของธาตุรู้คือมันรู้อะไรได้กายเคลื่อนไหวมันรู้ขยับซ้ายขยับขามันรู้จะปวดจะร้อนจะหนาวมันรู้ถ้ารู้เนี่ยถ้าเป็นธาตุแท้เนี่ยไม่มีอวิชชาผสมเนี่ย เขาเรียกว่ามันเป็นอืมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นพุท ธ, ธถ้ารู้เป็นพุท ธ, ธก็ได้นี่ตั้งชื่อให้หมาเ่นะพุทธะ็แปลว่าผู้รู้ตื่นตื่นรู้อย่างเดียวเออไม่หลับไม่หลงแล้วก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือมันไม่มีความเศร้าหมองคือมันไม่มีสิ่งเจือปนทั้งหมดเลยความเป็นคนเป็นสัตว์ก็ไม่มีกิเลสตัณหาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอแม้กระทั่งตัวมันก็ไม่มี นะจึงจะเรียกว่ามันบริสุทธิ์มันก็ไม่ใช่เพราะมันเหนือความบริสุทธิ์คือมันเหนือจากทุกสิ่งทุกอย่างและธาตุรู้นี้มันใกล้เคียงกับนิพพานธาตุรู้นี่แหละเขาเรียกพาสูนนิพพานได้ให้รู้จักนิพพานได้เพราะนิพพานคือความไม่เป็นอะไรเหมือนกันนะนิพพานคือคไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีการดับไปธาตุรู้ก็ไม่มีการเกิดไม่มีการตั้งอยู่ไม่มีการดับไปธาตุรู้นี้เป็นธาตุที่เชื่อมต่อเชื่อมต่อระหว่าง ระว่างอะไรอ่ะคือมันไปเชื่อมต่อกับนิพพานถูกไหมมันเป็นเชื่อมต่อไงมันจึงรู้จักนิพพานได้แต่มันก็สามารถเชื่อมต่อกับสังขารได้เหมือนกันแต่มันไม่หลงสังขารแล้วมันไม่ไปยึดสังขารแล้วเพราะมันพ้นมาจากสังขารเพราะมันเป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งเมื่อมันพ้นจากสังขารมันจึงไม่เป็นสังขารมันจึงสู่นิพพานอย่างเดียวก็คือพ้นไปจากสังขาร แล้วก็ไม่ไหลกลับอีกแล้วไม่ไหลกลับไปยึดไม่ไหลกลับไปยึดสังขารอีกแล้วอเห็นไหย ม, มันไม่ไหลกลับไงมันเด็ดขาดถาวรอ่ามันเด็ดขาดถาวรเมื่อมันไม่ไหลกลับมันถาวรมันก็ถาวรมุ่งสู่อย่างเดียวก็คือเป็นนิพพานอย่างเดียวนี่เหมือนกับพูดให้ฟังว่าจริงๆอะโครงสร้างของมันเป็นอย่า ง, างนั้นแล้วก็ทารู้ก็มีอยู่แล้วเพียงแค่เราไม่เข้าใจมันเรานึกว่าเรารู้ทุกทีจริงๆมันไม่มีเราใช่ไหมเนี่ยเราไปยึด ไปยึดวิญญาณนัขันบ้างแล้วก็ไปยึดแต่ธาตุธาตุรู้เนี่ยมันเป็นสิ้นยึดแล้วมันไม่ยึดอะไรแล้วมันดับอวิชชาหมดแล้วจึงเป็นธาตุที่พ้นก็เชื่อมต่อกับนิพพานได้เฝังแล้วงงทิ้งให้หมดนะไม่ต้องจําเพราะว่าจํานี่คือสัญญาทิ้งให้หมดอันนี้ฟังเป็นเ ข, ข้าวว่าจริงๆอะธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่นะแล้วธรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่เราธรรมชาตินี้ไม่ใช่ของเราไม่แต่ธรรมชาติล้วน เห็นไหมเวลาได้ยินรู้กลิ่นรู้รสนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติเวลาเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาร้อนเวลาหนาวก็เป็นธรรมชาติเวลาเกิดเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็เป็นธรรมชาติเราอะไปยึดไปลักขโมยของธรรมชาติเป็นของเราขาบศินเพราะนั้นเน่ยถ้าจริงๆอะถ้าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าตัวเราไม่มีมีแต่ขันธ์หน้ามีแต่ธรรมชาติมันก็ไม่มีใครทุกข์แล้วไม่มีใครทุกข์ ถ้ามันเจ็บปวดขึ้นมาก็เข้าใจด้วยปัญญาทันทีเลยว่าสักไปว่าก็รู้แล้วเข้าใจแล้วมันแก่ก็เข้าใจแล้วมันเจ็บก็เข้าใจแล้วมันป่วยมันจะตายเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจนี่คือปัญญาไงเดินด้วยปัญญาแต่ปัญญาก็ยังเป็นสังขารไม่ได้ยึดว่าปัญญาเป็นเราสุดท้ายก็ทิ้งหมดไม่เหลือปัญญาก็ต้องทิ้งเห็นีหยปัญญาเป็นเรือผ่ากำลังฝากอ่าจะไมเมื่อถึงที่สุดแล้วไม่ทิ้งไม่ทิ้งปัญญาหมดเลยก็ก็พ้นไปแล้วก็เป็นธาตุรู้อย่างเดียวก็ไม่เป็นอะไร เอมัเีบอกว่าเอาักพักนึงตวัเง้อางั้นัวงตัวรู้นะพูดอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้นะ่ะตอนนี้หยุดพูดแล้วยังใครรู้เออพวกผู้รู้แล้ยังผู้รู้คือใครอ่าวางตัวเราวางยังไงเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวิญญาณเป็นสังขาร เนี่ยผู้้รู้ผู้้รู้คือใครเราแล้วใช่ไหมวางใช่วางก็คือไม่ยึดว่าผู้้รู้คือเราเพราะมันเป็นวิญญาณมันเป็นสังขา ร, ารก็มันรู้ต่อไปเออพอรู้ต่อไปมันก็รู้ไปเรื่อยแต่ว่ารู้เนี่ยไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่เรารู้เอาใหม่เมื่อกี้เนี่ยเอามือลงแล้วใช่ไหมฝั่งนี้ยเมื่อกี้อ่าเอามือหยวนหน้าขาใช่ไหมใครรู้อ่ะเออนั่นแหละเราคือผู้้รู้ใช่ไหมเพราะเป็นคนรู้เองว่าเอามือวางบนหัวเขาแล้ว แล้วจริงๆอ่ะผู้รู้เนี่ยดูดีๆนะมันเป็นขันห้าใช่ไหมผู้รู้รู้แล้วพูดอ่ะรู้แล้วพูดได้รู้แล้วคิดได้มันเป็นขันห้าทั้งหมดเลยก็ให้วางคําว่าวางเนี่ยวางด้วยปัญญาว่าเอาอันนี้มันคือขันห้านี่ว่ามันไม่ใช่เราตามทันไม่เอ่ยอออคือวางเนี่ยวางด้วยปัญญาไม่ใช่มีอีกตัวหนึ่งคือมันเป็นปัญญาคือความเข้าใจอ่า หมายความว่าก็าขันห้าก็รูปร่างกันยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมไม่ได้วางไปโยนจากศาลาอะไรไม่ใช่คือยังนั่งตรงนี้เหมือนเดิมแต่ว่าเข้าใจด้วยปัญญาว่าเอาที่บอกว่าเราคือผู้รู้ใช่อะผู้รู้ถูกแล้วแต่ผู้รู้เนี่ยมันไม่ใช่เราเพราะมันคือเราไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมีแต่ขันหา้าใช่ไหมผู้รู้ก็คือขันหา้าคือเป็นวิญญาณวิจฉตรชี้ตรงนะที่รู้ทั้งหมดเนี่ยวิญญาณวิญญาณนักขัะวิญญาณอนัต วิญญาณอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ใ, ใช่ไหมก็ไม่ใช่เราอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้เสร็จเท่ากับวางเรียบร้อยแล้วหรื อ, อยังวางไม่ได้ตอนเนี้เราถามจริงๆวางได้ไหมพอเราพูดอย่างนี้รู้สึกวางวางผู้รู้ได้แล้วยังหรื อ, อยัง ง, อยงงงยังงงใช่ไหมใครรู้ว่างงอะเรา <laughs> วางตัวเราตัวเราเป็นคนรู้ว่างงใช่ไหมถูกปะ เ อ, อลองดูทีลองพิจารณาที่ว่าตัวเราเป็นคนรู้เนี่ยขอบเขตของตัวเรามันตั้งแต่หัวจดเท้าใช่ไหมเดี๋ยวง ง, ง, งลองลองอย่างนี้ก่อนเวลาเราบอกว่าเราเป็นคนรู้เนี่ยความรู้สึกที่เป็นเราเนี่ยตรงไหนอะทั้งตัวใช่ไหมละ่ะเวลาบอกว่าเราเป็นคนรู้มันทั้งตัวใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยรู้สึกอย่างนั้นไหมอะ่ะ เออเ อ, อ, มอม่มีอีกตัวหนึ่งไใช่ไม่ใช่สังขารไม่ใช่ไม่ใช่ังาเออเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนะเอาตัวเดี๋ยวเดียเอาใหม่นะ เ, เดี๋ยวให้โยมทาอะไรทั้อย่าง อ, อ๋อตอนนี้นั่งอยู่ใช่ไหมละ่ะนั่งเนาะนั่งนะนั่งแน่นะแล้วใครเป็นคนรู้ว่าว่านั่งอยู่ เ, เราเรานะ เมื่อนั่งอยู่รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่อันนี้สติปัฏฐานสูตรเมื่อนั่งอยู่รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่สแสดงว่าเราเป็นคนนั่งถูกป่ะแล้วคนที่รู้ว่าเรานั่งมันมีอีกตัวเหรอมีไหมความรู้สึกมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วใครล่ะรู้ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งเราอีกอ่า <c oughs> ติดกับอีกเออเห็นไหมมันมันมันเป็นชั้นชั้ น, น, นันไปเลย แต่สิ่งใดก็ตามเป็นถูกรู้อ่ะมันเป็นอารมณ์ก็เป็นสังขารหมด อ, อ่ะเดี๋ยวงง ง, งพูดไงดีเนาะคือวางผูออ้โดยสารหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นวางปัญญาปัญญาใช่ใช่ปัญญ า, ญญาเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ฟังนะมาเป็นเข้าใจได้จินตนาการกันแล้วกัน เวลาเราเดินกลางคืนน่ะแสงสะหสลั ว, ลวแล้วเราไปเห็นตอไม้ใช่ไหมแต่คุ่มแต่คุ้มอ่ะตอนแรกเรานึกว่าเป็นอะไรผีผ <c oughs> เออเนาะมันเป็นผีเลยจริงๆอ่ะ <c oughs> แต่ความจริงอ่ะเมื่อเราไปพิสูจน์ใช่ไหม <c oughs> เราเดินไปใกล้เลยรูปตบทีหนึ่งมันมันเป็นอะไร <c oughs> เป็นตอไม้แล้วผีหายไหม <c oughs> หายแลวโยมต้องทำให้ผีหายไหมไม่มันเป็นการรู้แจ้ง รู้แจ้งว่าเอา้าต่อไม้นี่พอรู้แจ้งปั้งผีก็หายถูกไหมคือรู้ถูกต้องไงรู้ถูกต้องรู้จริงรู้แบบเ้าเรียกว่ารู้แบบถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนแล้วว่ามันเป็นต่อไม้พอเป็นต่อไม้เสร็จความเข้าใจผิดว่าเป็นผีเนี่ยมันหายโดยอัตโนมัตินะเพราะนั้นผีหายไปก็ไม่ต้องวางแต่มันอันตโนมัติเพราะรู้แจ้งทีนี้ไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกันที่บอกว่าเรา เราเป็นคนรู้ว่ายกมือใช่เนี่ยยกมือเราสิเป็นคนรู้ว่ายกใช่ไหมแต่ทีนี้ด้วยปัญญาที่เราสะสมมาเนี่ยบอกว่าไอ้ที่ยกเนี้ยหรือว่าไอ้ที่ว่าเราเนี่ยเราเป็นคนรู้ว่าเรายกเนี่ยเพอด้วยปัญญาที่สะสมมาว่าอ๋อจริงๆมันก็คือขนันห้าคือสังขารทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่ใช่เราพอมันแจ้งตรงนี้ปั้งเนี่ยความเป็นตัวเรามันก็หายดิหายอัตโนมัติเหมือนกับผีหาย ถูไม่ต้องวางไม่ต้องวางเพราะว่ามันเป็นปัญญาเนี่ยมันปัญญามันเออมันมันแปละพอรู้จริงอะ่ะรู้ถูกต้องอะ่ะความหลงผิดมันก็หายไปเองเหมือนกับที่เขายกตัวอย่างว่าความมืดใช่ไหมเราจะให้ความมืดหายไปเนี่ยเราจะไปเอาพัดลมเป่าก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แค่เปิดไฟให้มันสว่างความมืดก็หายเองอันนี้ก็เหมือนกันแค่มีปัญญาเข้าใจถูกต้องความโง่ความเข้าใจผิดก็หายสิน้นเงี้ยอื เพราะนั้นเนี่ยปัญญาเนี่ยเราต้องเรียนเรื่องขันหน้ามากๆเลยทำวัดเช้าทำวัดเนี่ยที่เน้นเๆ้เน้ว่ามันมีแต่สังขารสังขารแล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะตรงนี้ให้มันอยู่ในใจอะตลอดเวลาเลยอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเป็นแค่ขันหน้าสังขารสังขารอาจจะบางทีอาจจะเป็นภาษาสอนมันเนาะว่ามันเป็นขันหน้ามันเป็นสังขารมีได้สังขารมีแต่สังขารมีได้สังขารแต่ต้องมีสภาวะเนาะม่ต้องมีสภาวะก่อน แล้วก็เข้าใจแต่ต่อไปเนี่ยมันไม่ท่องแล้วมันไม่บอกว่าเป็นสังขารแล้วมันเป็นปัญญาที่แบบไม่ต้องพูดแล้วเอพอเห็นปั๊บมันเข้าใจทันทีเลยอะเข้าใจทันทีเลยเหมือนกับสมมติว่าไอ้ต่อไม้อันนั้นแหละวันเนี้ยคืนเนี้ยพอพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นต่อไม้ใช่ไหมแล้วพอมาคืนพรุ่งนี้มาอีกมืดๆอีกมันก็เห็นต่อไม้เหมือนเดิมแต่มันอาจจะโผล่แพรมนึงไปว่าเป็นเป็นผีใช่ไหมแต่ปัญญามันมาเร็วแล้วไงพอมาเร็วปั๊บมันก็เป็นต่อไม้ แล้วก็ไม่ต้องพ่องไม่ต้องท่องแล้วว่าเป็นตอ่อไม้คือมันรู้จักไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เรามันไม่ต้องมีคําบริกรรมไม่ต้องท่องแล้วมันรู้ชัดรู้แจ้งรู้จริงอะรู้มันรู้เร็วแล้วไงมันเป็นแบบเป็นญาณปัญญาไปแล้วอย่างเงี้ๆๆยงนนั้นรวมความทั้งหมดนะที่นั่งอยู่ที่นั่งได้พูดได้คิดได้มีความรู้สึกได้นะรวมรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะนะไม่ใช่เราอไม่ใช่เรามันจะเจ็บมันจะปวดก็เข้าใจได้เลย อืมอไมไม่อะไรเออไม่อะไรอื้ออไปก็ได้นั่งอื้ออนั่งด้วยปัญญาอื้ออเนี้ยรู้แล้วเหมือนกับรู้แล้วรู้แล้วอ่ะเอออือเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องโอ้ยไม่ต้องจะโอ้ยก็ได้โอ้ยแบบรู้แล้วโอ้ยเงแต่มันไม่น่ามีโอ้ยหรอกมันจะอื้อหลวงพ่อตงเขียนหรอกมันจะอื้อย่างเดียวมั้งใช่ไหมเย็วชงชงอื้อแต่ถ้าโอ้ยอ่ะไม่ใช่ถ้าโอ้ยเป็นเราแล้วโอ้ยต้องอื้อ อือดูแลเอออะไรเงี้ยสมัครเนี่ยสนุกจะตายถ้าเข้าใจนะเข้าใจด้วยปัญญาเนี่ยมันมันเป็นสนุกเอ๋ อ, เ, อเดี๋ยวเราคิดไม่ได้อ๋อเครจะเคยจะถามเดี๋ยวมันมันออกมาเองอะจริงนะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจะถามนะไม่สงสัยนะเอะไรนะ ยังงงเหรอโอ้ยยังตามไม่ทันใช่ไหมเออนะฮะถ้าเกิดว่าปัญญายาที่เราเรารับทราจากพระอาจารย์มันมันเป็นจินตามยะปัญญาเราก็เดินจินตาไปเรื่อยๆมันต้องจินตามยะสุตตะจินตาเนี่ยเป็นเบื้องต้น อ, อาศัยจากการฟังคิดพิจารณาเนา ะ, ะคิดไป พ, พิจารณาแล้วก็ระหว่างที่เราฟังเนี่ย คิดพิจรารณาแล้วมันเกิดปัญญาคือเข้าใจภาคปฏิบัติเนี่ยภาวนามยปัญญาเอาความเข้าใจเนี่ยเป็นฐานเป็นฐานก็แสดงว่ามันจะต้องมีสภาวะรองรับมีสภาวะรองรับเช่นเวลาส่วนมันปวดมันเจ็บขึ้นมาเราได้ได้ยินได้ฟังมาแล้วใช่ไหมว่าความเจ็บความปวดก็เป็นความรู้สึกที่รู้ได้พอมันเจ็บมันปวดปับ๊บมันก็เป็นความรู้สึกแล้วด้วยปัญญาจากการได้ยินได้คิดพิจรารณาเ น, นี่ยมันจะผสมรวมว่า ไอสิ่งที่ไปรู้จักนั่นเน่ยมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นโยนิโส่เป็นโยนิโสมณัติการแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมไม่โยนิโสไม่อะไรเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับว่ามันทื่อๆมันไม่รู้อะไรอ่ะมันได้แต่สงบแต่ไม่รู้อะไรซึ่งไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นโยนิโสเนี่ยมันจึงสําคัญมากเไอสําคัญมากเอาไว้ในใจตลอดเลยอะไรเกิดขึ้นก็บางทีก็มันมีผสมไงผสมจินตามยบมันผสมผสานอยู่แล้ว เพราะปัญญาสามเนี่ยมันจะต้องทํางานร่วมกันเนาะทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องฟังก่อนถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยไม่มีใครหรอกที่ปฏิบัติด้วยตนเองแล้วถูกต้องไม่มีเป็นไปไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเราเราเนี่ยต้องอาศัยคําสอนต้องอาศัยผู้บอกใช่ไหมเป็นเป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นก็ไปดําเนินชีวิตประจำวันก็เออพบเห็นอะไรมาก็อเข้าใจได้ เนี่ยสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเวลาภาคปฏิบัติจริงมันจะมาก้องหูมันจะมาบอกไงเห็นไหมคำสอนครูบาอาจารย์เนี่ยมันมาอยู่เรื่อยแหละมาว่าอย่างหลวงพ่อกําเขียนแลวบอกอ๋อเห็นแล้วไม่เป็นอ๋อเห็นแล้วไม่เป็นอ๋อเห็นแล้วรู้แล้วปวดแล้วเห็นทุกข์แล้วรู้ทุกข์แล้วเออไม่เป็นบางทีมันก็มาเป็นลักษณะเป็นความคิดเนี่ยกระสับส่ายต้อ ง, งนั้เหือนสมมว่าเราเรเจออไรเรื่อยมันจะมีความรู้ว่าตนานี้เรา มีมานาะมันจะเกิดบอกหน้ารีบๆไปอยู่คนเยอะเนี่ยมานาะมนจะได้เห็นบ อ, อแล้วพนันไรต่อเห็นมานาะเนี่ยสุดยอดนะคนที่วางไม่ได้เพราะไม่เห็นแต่ที่เห็นเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าเริ่มเข้าทางที่จะปล่อยละละได้ละยังไงก็ให้เห็นว่ามานาะเนี่ยจริงๆมันก็คือสังขารปรุงแต่ง เป็นขันห้าเกิดดับยึดถือไม่ได้เนาะใช่เพราะตัวมานะเนี่ยตัวมานะเนี่ยก็คือตัวตัวรู้นั่นแหละมันมันรู้อะไรปับ๊บมันก็ไปยึดว่าเราเนี่ยเก่งเออนีจริ ง, รงๆงไงรู้เนี่ยมันเป็นวิญญาณขันแต่ด้วยความหลงไปชั่วคราวเข้าไปยึดความรู้ว่าเป็นเราว่าเรารู้เราเก่งเรารู้เราเก่งไงนะเราเก่งไม่ว่าจะเก่งในเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ย แล้วก็พอเห็นว่าเอา้าอันนี้มันก็เป็นสังขารมันก็ต้องเกิดตายเหมือนกันการที่เห็นให้มันเป็นเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยตรงนี้มันจะวางมานะได้วางอัตตามานะอัตตาเดี๋ยวๆพอเข้าใจไหมอ้าวอันนี้อันนี้แม่ชีมาฟังช้ามามาที่หลังก็ว่าถ้าถ้าว่าเรารู้สภาวานนะไหมแล้วแค่รู้นะ่ะมันแตกเลยไหมหรือว่าเราจะต้องไปโยนิสงต่อ รู้ถ <awareness. S 1> ้าเป็นปัญญาแล้วเป็นปัญญาจริงนะเป็นรู้ที่สักแต่ว่ารู้เนี่ยมันจบเดี๋ยวเออได้ได้ถามคำว่ารู้ก็คือรู้สึกตัวค่ะรู้สึกตัวว่าโอมานะแล้วเราก็รู้สึกตัวต่อไปเรื่อยๆรู้สึกตัวต่อไปเรื่อยไม่ไม่ทราบว่าไอ้รู้รู้ละแล้วก็รู้สึกตัวต่อไปเรื่อยเนี่ยมันจบไหมคะหรือเราจะต้องโยนิโสต่อ ไมมีคิดว่าต่อต่อเพราะว่ามันมันยังไม่ขาดแบบคือมันยังให้ปรากฏให้เจ้าตัวเนี่ยรับรู้ได้อยู่เป็นระยะระยะอยู่ว่ามีมานะอีกแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่รู้ว่ามีมานะเนี่ยจริงๆเนี่ยตรงนี้เป็นความรู้สึกตัวแล้วถูกไหมถ้าไม่รู้สึกตัวมันไม่รู้หรอกว่ามีมานะเออทีนี้พอมีมานะปับ๊บมีความรู้สึกตัวก็ไปเห็นเห็นตร ง, นรงเนี้ยจริงๆริอะถ้าเห็นอย่างถูกต้องมันก็ละมันก็ละอยู่แล้ว แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็เกิดมานะขณะใหม่ขึ้นมาอเห็นใหม่ก็ละใหม่เห็นใหม่ก็ละใหม่หหมหมอย่างเนี้ยเรื่อยไปอเรื่อยไปแล้วไม่ได้อย่าไปรังเกียจไอ้มานะเนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่โปรมาให้เห็นเพื่อจะได้ละมันคนที่ละไม่ได้ก็เพราะไม่เห็นถ้าเห็นแล้วก็โอเคละถือว่าถูกละเห็นถูกนั่นแหละต้องเห็นนะเห็น บางทีมันก็เกิดมาเห็นบ่อยๆบางทีเวลาจะคุยกับโยม ก, กับพวกมันโปรขึ้นมาเงี้ยเราเก่งอีกแล้วเรารู้อีกแล้วก็เห็นทันก็นละไปเงี้ยละรู้แลวละรู้ละละถูกแล้ ว, ลวที่เข้าใจนะัไรเง้น